ส่วนคนข้างกันจะทำอะไรทำดีหรือร้ายคนคือกันแม่ดวงและดาวจะไม่พร่าแสงแม่วันนี้จะอ่อนแรง